ทำการพูดการคิดที่มันไม่ถูกไม่ตรงนั่นแหละเบียดเบียดตนเองแสดงว่าเราเอาความไม่ดีนั่นแหละไปแสดงให้คนอื่นพูดง่ายๆเลยว่าเราดีใจเราเสียใจเราพอใจเราไม่พอใจมันเองไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เลยพอยได้ยินแต่เรามีความทุกข์เอาความทุกข์ของเราเนี่ยไประบายให้เพื่อนเรา อันนั้นเนี่ยเบียดเบียนตนเองและเบียดเ บ, บียนคนอื่นรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองมันนึกมันคิดก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจก็เลยเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระวกายก็ดี เ, เดียวกันแต่ตัวรูปลางนั้นเป็นบนน่าอแต่ความรู้ความเห็นอันเดียวกันแต่เรื่องสติปัญญานั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนมีสติปัญญาแล้วผมไม่เหมือนกับพวกเรา ดังนั้นเรามาที่นี่เพืเช่นเดียวกันเราต้องมาพิจารณาถึงตัวเองนี่หายของที่ข่วมเพือเห็นตัวเองนี่แหละแต่ก่อนเราลืมตัวเราไม่เคยเห็นตัวเราอันนี้แหละเรามาหายของที่ข่วมออกให้มันขึ้นหายขึ้นมาหายของที่ข่วมไว้เพราะเราไม่เห็นตัวเราและไม่ตื่นตัวเราไม่เห็นจิตใจมันนึกมันคิด ไม่ตื่นใจไม่รู้ใจวันนี้เรามาเปิดหรือบางหายของที่คั่วมันคั่วมม้าเพราะเราไม่เคยมาสาึกษาที่ตรงนี้เรียกว่าเรามาหายของที่คั่วเปิดของที่ปิดเพราะเราไม่ซีกันมาดูที่ตัวเรามาดูที่จิตที่ใจของเรามาดูที่ชีวิตของเราเราไปดูแต่คนอื่นพุ่นอันนี้ก็แสดงว่ามาหายของที่คั่วม เปิดของที่ปิดทำของยาให้มันสั้นเข้าหมายถึงเราไปเรียนปัจจัยปิดุกให้มันจบแล้วริงมาจ้าอันนั้นคนดี pie, ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันยาวเกินไปเราก็เคยได้ยินอยู่แล้ววา่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นเราผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นเราผู้นั้นไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาตตก็คเห็นธรรม อันนี้ก็แสดงว่าเรามาศึกษาที่ตัวของเรามันนึกมันคิดก็ให้เห็นให้ดูไปเข้าใจแปลว่าเราไม่ต้องไปสนใจอย่างยิ่แค่ว่าสามปีดกก็มารวมที่จิตใจมันนึกมันคิดนี่อันนี้ก็แสดงว่าทําของหยาวยาวให้มันตั้นเข้าลัดคมเข้ามาเราจะมาทําที่ตรงนี้นทําของยุ่งของอยากเส้นทิดอีรีตองต่างๆนั่นแหละ ทาอันนั้นทาอันนี้จับโน้นจนับนี้มันยุ่งไปทั้งหมดเลยเราก็เลยมาพูดว่าทําของยุ่งให้มันสบายของที่มันยากทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ไม่ใช่ห้ามแต่ทาแล้วมันสบายใจไหมถ้ามันไม่สบายมันก็ยุ่งวันนี้เรามาทําของสบายๆนี้เองนี่ว่าทาของยุ่งยากให้มันสบายขึ้นมานี่ ก็แสดงได้ทันทีว่าหนายของที่วบเปิดของที่ปิดทําของที่ยาวๆนะห้มันสั้นเข้ามาทําของที่มันยุ่งยากให้มันสบายขึ้นมาจึงได้กล่าวกันหลายครั้งหลายผลดว่ว่าอยู่ที่นี่ไม่หนีไม่สู้คาว่าอยู่ที่นี่ไม่หนีไม่สู้อยู่ที่นี่อยู่โดยคนไม่มีปุ๊บอยู่ที่นี่เองไม่หนี คือไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆทั้งหมดเลยเพราะเราทราบซึ้งตึงใจเพราะว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมสภาวะธรรมในตัวของเราเองแปลว่าไม่หนีจากตัวเราไปคือไม่ลืมตัวนั่นเองไม่สู้คือไม่เอาเปรียบใครเป็นยังไงก็ต้องเล่าอย่างนั้นคือไม่เอาเปรียบคนนั้นไม่เอาเปรียบคนนี้ เดี่ยวพูดง่ายๆก็เลไม่เบียดเบียนตนเองนั่นเองถ้าเอาเปรียบคนนั้นเอาเปรียบคนนี้ก็หมายถึงการเบียดเบียนตนเองนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนธรรมเราใดเป็นไปเพื่อควัวไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยท่านสอนมาไว้่างนี้ธรรมเราใดเป็นไปเพื่ควัวเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรม อันนั้นไม่เป็นวิไหนอันนั้นไม่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เข้าใจเป็ น, นี้เลยเขาว่าเบียดเบียนตนเองนี่หมายถึงอะไรคือการทําการพูดการคิดที่มันไม่ถูกไม่ตรงนั่นเนี่ยเบียดเบียนตนเองแสดงว่าเราเอาความไม่ดีนั่นแหละไปสะแสดงให้คนอื่นพูดง่ายๆเลยว่าเราดีใจเราเสียใจเราพอใจเราไม่พอใจมันเอง ไปพูดให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เลยพลอยได้ยินแต่เรามีคนทุกเอาคามทุกของเราเนี่ยไประบายให้เพื่อนเราอันนั้นเนี่ยวเบียดเบีย น, ยนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นจึงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิ น, นัยไม่เป็นคำสอนของพระเจ้าบัด น, นี้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราพูดตรงไป ต, ตรงมาเพราะว่างานมาทําทางจิตทางใจนี้แต่เขาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ ไม่ใด้บังคับไม่ใส้กดเข่งที่ว่าไม่เบียดคนนั้นและไม่เบียดคนนี้และไม่เป็นการเบียดเบียดตนเองอีกกั้ด้วยให้รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็ตื่นตัวเองนี่ตัวเองก็คือรูปกายนี้เองนี่ตัวเองตื่นตัวเองการทําการพูดตื่นตัวไว้อย่าทําผิดอย่าง รู้สึกใจตัวเองตืนใจจิตใจเราที่มันนึกมันคิดน่ยก็ตรู้สึกใจตัวเราตื่นใจตัวเรารู้สึกใจเดินใจแล้วจะทำยังไงกไ็มันคิดก็ปล่อยไปมันคิดก็ปล่อยไปยากไปตันอยากไปอัดมันไว้เหมือนกับกระแสน้ำเนี่ยมันไหลไปเราจะไปทำเคลื่อนกันน้ำมันก็ยากแต่มันก็ทําได้เราพูดเป็นวัตถุแต่ว่า ต้องหาทางระบายออกให้มันเมื่อตังแล้วครับไม่มีทางระบายมันก็ล้ออกไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเขาทำกันสุดประถานเคลื่อนกันน้ํามันต้องมีทางระบายน้ําอันนั้นมันเป็นวัตถุส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดนี่อย่าไปหักห้ามันให้มันคิดไปมันคิดไปแล้วเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแต่อย่าเข้าไปลบเผื่ออย่าเข้าไปบวกกับมันเมื่อไปบวกกับมันหนึ่ง กับหนึ่งเป็นสองเอาแล้วเข้าไปเป็นสองอันสองกับสองเป็นสี่เข้าไปเป็นสี่กับสี่เป็นแปดเข้าไปแปดกับแปดเป็นสิบหกเข้าไปบวกเข้าไปไปถึงห้าสิบกับห้าสิบบวกเข้ากันก็เป็นร้อยไปร้อยกับร้อยบวกเข้าไปก็เป็นสองร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปดังนั้นมันจึงวัดตะบสงสามเงนเงาวนานสําหรับกับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำตายแล้วเกิด ตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนิพพานอันนั้นมันยาวไกลแต่เรามาพิจารณาความดีใจความเสียใจความขับแค้นแน่งใจอันนี้วัฏสงสารสําหรับบุคคลผู้ที่รู้ของยิ่งตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันเกิดดูทุกวินาทีมันคิดอยู่อย่างนั้นเหมือนกับ น, นแต่เราอย่าไปบวกมัน พอดีเห็นมันแล้วปล่อยมันไปเลยให้มันไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเห็นธรรมชาติของมันและแปลว่าศึกษาธรรมะกับธรรมชาติธรรมะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกจะมีผูร้รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีผูร้รู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมะจึงเกิดก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่จุดคนพบและวก็นำมาสอนพวกเรา ให้เราได้รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรียกว่าสาวกพุทธะจะเป็นผู้ยิงก็เป็นสาวกจะเป็นผู้ตายก็เป็นสาวกจะเป็นคนสาดใดภาษาใดถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอันใดคนตามก็เป็นสาวกถ้าเห็นอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกพุทธะคันว่าอย่างนั้นความดีใจเสียใจอันนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตมันเป็นใจเึือกคิดตัวชีวิตที่เสวยกับความ นั้นมันเป็นคนละเรื่องดังนั้นเราอย่าเข้าไปในความคิดจึงว่าเห็นมันคิดตัดต่อไปให้มันเป็นไปตามสภาพหรือภาวะของมันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจมันแล้วมันก็เลยไม่ปรุงไม่แต่งมันก็ไหลไปเรื่อยๆไปเมื่อไปถึงที่สุดของมันแล้วมันจะปรากฏตัวของมันเองมันจะปรากฏตัวของมันเองจึงไม่ต้องการห้ามความคิดให้มันคิด ท่นความสงบที่เป็นนั่งสงบนั้นผมก็เคยทำมาเคยทํามาเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นดีแล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องนี้แต่คนอื่นอาจจะรู้แต่ผมไม่รู้ดังนั้นผมทํามาหลายวิธีผมไม่เคยรู้ความคิดผมเลยแต่คนอื่นอาจจะรู้ก็ได้แต่ผมพูดน่พูดเรื่องเฉพาะตัวของผมจริงๆพูดเฉพาะรเรื่องตัวของหลวงพ่อจริงๆ ไม่ต้องไปยืมเอาคำพูดของคนนั้นคนนี้มาพูดพูดความจริงนี่ต้องเอาตัวเองเข้าไปรับรองเข้าไปปักกันเป็นเครื่องคำประกันคนโบราณท่านจึงสอนเอาเสียสลากเงินทองเนี่ยเพราะเราต้องการไม่อยากเก็บใครได้ป่วยเสียสลากักพอหลักตาเอาไว้แย้วกันเมไปถึงหมอเลยเราเป็นเนื้อหนังเปื่อยนองไปถ้าไม่ตัดเนื้อเน้าตอ น, นี้ขิม เราจะเสียชีวิตยอมเสียสลับเมื่อหนังอ น, นันต์ ladım. แต่ให้มีชีวิตอยู่ได้ทำไมบัดนี้ชีวิตจะงหมดไปก็ตามแต่ยอมเสียสลับชีิตเพราะหลักษาผลจริงคือสัจธรรมพระพุทธเจ้าจึงว่าสัจจะคือของจริงจริงทุกคนจริงๆริงจึงจึงนำมาเล่ามาพูดสู่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตา เมื่อ น, นำมาเล่ามาพูดจะไหนก็พูดควาจริงแต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมานี่ผมด้วยหลวงพ่อจริงชอบพูดเรื่องควมจริงยอมเสียสละจริงๆเอาการกระทําอย่างนี้ทุกคนรู้ไม่ยกเว้นจะเป็นคนชาตใดก็าตามถือศาสนาไหนก็าตามเป็นผู้หญิงผู้ชายก็รู้เป็นผรกสงองค์เจ้าก็รู้เป็นฝรั่งเศสอังกฤษ หรือเยอรมันคนขเขมรคนยวนคนลาวคนพมา่าคนอินเดียก็รู้ธรรมะแท้จริงคืออันเดียวกันเทนั้นไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยจึงยอมเสียสละได้ดังนั้นรับรองได้ถ้าปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดอย่างไหวที่สุดในสำนานท่านบอวาเจ็ดปีเ็ดเดือนเจ็ดวันมีอันิสงส์สองประการทันวันแต่ที่ผมนำมาเรานี้ผมไม่ได้พูดจาก น, นั้น ถ้าปฏิบัติจริงๆนะเอาจริงๆอย่างซาที่สุดไม่เกินสามปีต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากกอน้อ น, น, นเอาอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีปฏิบัติให้เกี่ต่อกันจริงๆทําจริงๆต้องรู้ต้องเห็นเข้าใจเร่องนี้จริงๆเอาอย่างไวที่สุดนับตั้งแต่หนึ่วันถึงสามสิบวันเดียวเดือนหนึ่งนั่นเองรับรองได้ ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจแต่เป็นคุณจริงอีกด้วยนะการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรผมได้พิจารณากับเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วต้องตราบจังหวะแต่ไม่นางนิ่งๆแต่วิธีอื่นนั้นผมทำได้ผมไม่รู้ผมจึงนํามาโคตรมากล่าวมาพูดเปเรื่องที่ผมทําและมันรู้ผมทําแล้วมันรู้แล้วผมก็สอนแนะนําเพื่อนหลายคนว่าเขาต้องรู้ แต่ถ้าเป็นคนแก่คนมีอายุนั้นนานหน่อยเพราะว่ามันมีอารมณ์มากถ้าเป็นเด็กเป็นคนน้อ ย, นอยเนี่ยไม่นานเพราะมันยังไม่มีอารมณ์นี่ตั้งแต่อายุเก้าปีขึ้นไปผมเคยฝึกเคยสอนมาเคยอบรมมาผู้หญิงก็สอนผู้ชายก็สอนอายุในเกณฑ์สิบสามปีลงมาถึงเก้าปี ตั้งแต่เก้าปีขึ้นไปถึงอายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายเน่าเข่าลวงก็จะรับรองสอนแบบนี้นับรองจริงๆถ้าเป็นคนพูดจริงทาจริงเนี่ยต้องรู้จริงๆแต่การรู้ธรร ม, มะมีหลายระดับคือรู้ที่แรกต้องรู้จักเรื่องสมมติเมื่อรู้จักสมมติแล้วก็เลยรู้จักตัวเคารพตัวการเคารพตัวเองนี่แหละการยกมือไหว้ตัวเองนี่แหละ เป็นการเคารพธรรมเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเคารพผีเทวดาอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเคารพธรรมไม่เราเคยพูดอย่างนั้นพระธรรมคือการกระทํานั่นแหละเคารบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองแล้วก็เป็นการยกมือไหว้คนคอื่นแม้เรากลาวพระพุทธโลกก็เรากลาบตัวเองแสดงว่าให้ดูตัวเองทําดีทําชั่วนี่เออันนี้แหละจิ๋ะเป็นการเคารพตัวเอง